สิ่งไหนที่มีประโยชน์เราจึงทำลองเรียบเรื่องหน่อยทีนี้มีผู้หนึ่งถามองค์ท่านเขาทํารถอยู่คนนั้นพระบรมศาสดานี่ถามอะไรทําไมจึงตอบได้แท้เดินท่องได้บุนไว้ไหมชายคนนั้นทํารถอยู่ที่นี้พระบรมาศาสดาเขาไม่พูดยงไงเขาย้อนถามเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าเผามันครับนี่เขาเรียกว่าอะไรนี่มันโกงมันครับ นี่เขาเรียกอะไรเรียกดุมมันครับคุณเนีท่องไว้ไหมไม่ได้ท่องเพราะเหตุอะไรเพราะชำนาญแต่ถาคนก็เหมือนกันเพราะํำนาญครับถูกไหมเหรอนี่ชายคนหนึ่งไปถามพระบรมศาล า, ศาคนหนุ่มพระบรมศาล า, ศานั่งอยู่ร่มไม้ว่าตูมชายคนหนึ่งก็คนแก่แล้วประมาณแปดิบ ยังพอผ่านคนหนึ่งคนแก่แล้วประมาณแปดสิตเดินชัดไปู่เซมาถือไม้ข้าวแล้วเอาไม้ข้าคางถามได้ทราบข่าวว่าพระสมณะโคโดมมียานอยู่ทุกอียิปตใช่ไหมอย่าถามอย่างนั้นมันไม่ถูกบอกว่าพระสมณะโคโดมต้องการจะนึกอะไรก็นึกได้ต้องการ จะเข้าชาติก็เข้าได้ต้องการเ จ, จ้าพิีท่จะงาาปัญญาเขาพิจารณาได้ให้ว่าอย่างนั้นในสิ่งที่ไม่นอกเหนือทําำยังไงพระสมณโคดมทําได้ทั้งนั้นเว้นไว้แต่สิ่งที่นอกเหนือทำยังไงพระสมณโคดมทําไม่ได้ถามอย่างนั้นมันจึงถูกจะไปถามว่ามีิยานอยู่ทุกขณะมันก็ไม่ถูกเพราะถามไม่ถูก ต้องการเข้าสมาธิในเวลาไหนก็เข้าได้ต้องการวิจารณ์อันใดก็ต้องวิจารณ์ได้ไม่ต้องการวิจารณ์จะยุดดิ้งอยู่เฉยๆก็ได้ให้าเธอว่าอย่างนั้นถามอย่างนั้นเท่นี่แรกพี่ใส่พระองค์ไปเลยพองค์อะไรเล่าให้พระฟังถ้าพระองค์ไม่โกรธเทครับผู้ไปถามอย่างนั้นเทานี่แต่เรามันมันสีเทอะพระองค์หนอกเปล่า ที่เท่าของพระองค์ที่เรีบของพระองค์คอา อ, าอาปฏิบัติพระพุทธศาสนามาไม่ได้กระทบกระเทือนทพระองค์พระองค์กระทบกระเทือนว่าเอาเข้าไปใส่บาตรให้มันซักคนจันไรคนหัวโล่นมาอยู่หน้าบ้านของเราจ้างมันหนีซักอย่างนั้นก็มีแต่พระองค์ได้รับแล้วพระองค์ก็วันหลังออกไม่ไปแต่พวกเราถ้าทําอย่างนั้น ดูจะไม่ไหวใช่และว น, นี่มีคนมาถามน้องปู่เหมือนกันโ ย, โยมชั้นสูงมาถามน้องปู่โยมชั้นสูงด้วยทั้งซับฝายนอกด้วยทั้งซับภายในด้วยน้วงปู่น้วงปู่จะเอาใครมาปฏิบัติเดี๋ยวนี้คนนั่นคานี้ไปแล้ว เอาใครมาปฏิบัติเรือไม่เอาใครมาปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องของท่านผูอื่นไม่เป็นเรื่องของหลวงปู่จะเลือกเอาได้ถ้าเลือกเอาได้อย่างนั้นก็เอาลูกเสียฐีสิมาปฏิบัติเราผู้ใดเลือกเอาไม่ได้ถ้าไม่มีคนนับถือจะทำยังไงหลวงปู่เรื่องนับถือก็ดีเรื่องอื่นก็ดีมันเป็นเรื่องสิทธิของคนอื่น เวลาเราไ ป, ไปบินท่าบาทเรามีสิทธิ์ไปเราก็ไปตามว่าทำยังไงของเราส่วนสิทธิ์ที่ควรจะให้หรือว่าให้มันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราผู้ที่จะมาปฏิบัติเราก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าไม่มีผู้ให้อาหารจะทำยังไงลูกก็นอนภาวนาตายเราบวยอะไรถ้าไม่มีผู้เอาไปเผาจะทำยังไงลรกปู ก็มแมลงวันและหมูหนูมันก็จะเผาให้หรืออย่างนั้นสุนรักมันก็จะเผาหให้หรืออย่างนั้นไฟป่ามามันก็จะเผาใหเรื่องที่จะเผาเรือ่องเผาเขาเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เป็นเรื่องของเราเรามีหน้าที่บวชมาก็บวชมาปฏิบัติเพื่คนทุกทางนั้นหน้าที่ของเราเรื่องผู้อื่นจะมานับถือหรือไม่นับถือมันเป็นฉิดของเขาเสียแล้วอะไรแบบนั้น เรามีสิทธเพื่อจะบวดเพื่อพ้นทุกข์เราก็มีหน้าที่เท่านั้นชวนจะพ้นหรือไม่พ้นก็เป็นเรื่องของเราอีกเราก็มีสิทธเท่านั้นสิทธิอื่นไม่มีอยู่กับท่านผู้อื่นเรื่องจะให้จีวิมิตตบาทเจ้านัดมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราหมดเลยาไม่ฆ่ า, าก็จิตมันนึกอย่างนั้น ข้าคิดไม่นึกอย่างนั้นก็มาบวชเป็นกรรมถามไม่ได้บผู้ที่จะเริ่มใสหรือไม่เริ่มใสเป็นสิทธิของท่านผู้อื่นเรามีหน้าที่ไปฏิบัติพุทโธคำเดียวก็ต้องหอมออกกาถวายชีวิตเลยก็ขึ้นอยู่กับเรา ปฏิบัติเพื่อคนทุกปัญหาไม่มาปฏิบัติเพื่อจีวรปัจจัยสี่จีวร เ, เป็นขบัติสนาฐานฐานนักนเพื่อจัดปัญหามาปฏิบัติเพื่อคนทุกปัญหาไม่มากทาไมจึงปฏิบัติเพ่อคนทุกเห็นยังไงจึงปฏิบัติกพืคนทุกก็พระเห็นว่าใดๆโรคทั้งสิ้นมีแต่อนิยจังเห็นอนิยจังคณะจีนเดียวเขเห็นโกรกว่าหปึ่แล้วพลเพราะโรคทำไมด้วยอนิยจังใช่ไหม เห็นทุกขณะคิดหนึ่งก็เห็นลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มด้วยกองทุกข์ใช่ไหมเห็น่านดินนําไฟลมคณะคิดหนึก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะลกเต็มไปด้วยธาตดินนําไฟลมใช่ไหมใดใด้นโลกวุ่นอนิจจังใดใดโลวนทุกขังได้ดโลว่นอนัตตาจะสงสัยใดนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วเมื่อเห็นโลกเต็มไปด้วยกองทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วความทะเยอทะยานในโลกทั้งปวกก็ห้ามเบรกกลงใช่ไหมถ้าเห็นชัด พ่ออมก็ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออก้งนึงเห็นอนิจนจังเห็นความเกิดขึ้นแปบบวนแฉลบสลายไปแล้วแล้วนึกขึ้นแล้วก็พูดก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปแล้วนึกขึ้นแล้วก็พูดล่วงไปล่วงไปก็คืออนิจจังอละเอียดใช่ไหมลมพัดมาพัดค่อยก็ล่วงไปพัดแรงก็ล่วงไปก็อันเดียวคือตับอารมณ์ภายในเรานี่นั่นคืออนิจจังละเอียดใช่ไหมความเกิดดับก็จะเกิดดับอยู่ห่าระหว่างไม่ได้คืออนิจจัง สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นใจสักว่าสังขารจะกอบทุกข์เออความสุขในโลกมไม่มีความสุขในโลกไม่มีถ้ามีความสุขในโลกอยู่พระอรหันต์ก็ไม่ข้ามทะเลหลงของตนไปเลยหาความสุขในโลกไม่เก่งเท่าพระอรหันต์พระอรหันต์หาแล้วไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พบเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปสัก ที่เคยลงมาทุกในเครืหัต์ก็มีสุกอยู่4อย่างหนึ่งซุขเกิดแต่ความไม่ซัสุกเกิดแต่ใจซับบริโภคสามซุกเกิดแต่ความไม่เป็นน่เป็นศีลสุกเกิดแต่การงานที่ปฏจาคโทษถึงสุกเหล่านี้ก็อยู่ใต้อำนาจอนจิจจังเกิดขึ้นในกาแฟปวนที้แต่กระาย วัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่อยู่ใ ต, ต้อูของอ น, นิจจังวัตถุนิยมที่ได้มาโดยทางที่ชอบมันก็ไม่เกีงงยังเง่เยินอยู่แล้วยิ่งจะได้มาในทางที่ไม่ชอบมันก็ยิ่งไปใหญ่อีกพ อ, อีเมอื่อใช่ไหมนั่นนั่นนั่นโรคไม่เท่าไหร่สัตว์โรคโรคคือหมูสัตว์โอกาสโรคโรคคือแผน่นเทวโลกได้แก่สการมาพัชระอชั้น พร ม, มาโลกไดจากลูกประพรมชั้นหกชั้นและลูประพรมสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาเลยเป็นสังขารโลกสังขารโลคย่อนออกเป็นสองสังขาราประมาณทุกขาสัางขารเปนทุกอย่างยิ่งสังขารที่มีใจครองสังขารที่ไม่มีใจกรองโรคที่ไมีใจกรองโรคที่ไม่มีใจกรองก็เป็นทุกอย่างยิ่งว่ า, า, า, ากกวเกิด ข, ข, ข, ขึ้นมาแล้วแปรปวนได้แต่บสบาย เมื่อเห็นโลกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันอยู่ได้อำนาจอันนี้การเขึ้นน่าเปรีวนและแตกสลายเสมอกันหมดแล้วความยินดีในโลกทั้งป้วงก็เบาลงพลังงารก็ข้าบความหลงของตนไปซะเมื่อข้าบความหลงของตนไปแล้วความทะเยอทะายานในโลกหใดๆไม่นีท่าเข้าสู่อนุภาติเศยสัญญาานไปซักหนะักเจอพวกเราเนี่ย เ, เมเื่อเม่าแข่งดีกันอยู่ในโลกก็แข่งว่าแข่งเวนแข่งใครกันนี่นี่ใครก็ของกูใครก็ของกูอะนั้นก็ของกูนี่ก็ของกูกำแดตกามดมแข่งกันอยู่ในเวลาไปก็แยมเงอย่างนี้ใชมถูกไหมแม้ไเป็นชาวโลกอเมริกาก็ไม่ได้เป็นรัลเรีย ก, เยก็ไม่ได้เป็นไทก็ไม่ได้เป็นจีนก็ไม่ได้เป็นมีแต่ทุกข์กับตายใช่ไหม มีแต่ทุกข์กำตายไม่มีใครเป็นเจ้าวโลรัสเซียก็ไม่ได้เป็นต๊าเลกาก็าไม่ได้เป็นใครก็ไม่เป็นจีนเขาไม่ได้ไปยวนก็ไม่เป็นลาวเขาไม่เป็นก็มีแต่ทุกข์กำตายใช่ไหมเวลามาเวลามาเกิดทีนี่ออกจากท่องมาดามาเขกรับมือร้องไห้ตะกัดตะกัดตะกัดพราะมันจะได้มาผ่านทะเลทุกใครเกิดมายิ่ยมมีไหมไม่มีเพราะมันทุกข์ ใครเกิดมาเราไปยิ้มหัวเราะเลยไม่มีมีแต่ร้องไห้ก็พระมันจะมาผ่านสนามทุกใช่ไหมมันเทศให้มันฟังแล้วใช่ไหมนั่นโอกาสมเกิดลวเอออัตอัตที่เขาเขาเขาห้ามรน่ประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมที่สองแล้วสองแล้วสองแล้วปะ อยสกถามว่าจะ่หาบุรณะไปปุริจีสัตว์สันติโยมวันจิตุธินันเปตามองพพื่จีตังจิตังตุ้มาจีเมวะทำไมจะูกแล้วปปุริังทับไปจันทโรเปนะไรโรยจักรนีราสุวักรนโรยวจันรนนมาถกโขแล้วไปโยตุโขโววินาศจตุมาเทพบัตรยุทธายโยตุกิติชายุโคภะอภิวาทานศีลกิจะนิจังุทายโนจัทธารัวธรมาวัชันติอายุมนุสุังะ ดวยเนียพระพุทธศาสนาทรงพระคุณข้ามันมีประมาณที่รงมีอยู่ทุกการด้วยมันขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้ไม่รู้มขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแลวไม่เชื่อและเนื้อร่วมอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้คนดีที่มาที่ไม่ได้มาในที่นี้คนดีทั่วตั้งไทโรคาแล้ก็จใจความสุขความเจริญนบพรอและพุทธศาสนาก็พระธมสัพพุทธเจ้าินกันไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกต้นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อถือนำะมาจนอาานช ทหารก็หาลงถึงรับหน่วยหน่วยชิปร้อยพันหนึ่งแสนล้านย้นลงมาก็มาหารับหน่วยใช่ไหมแล้วพูดมากเขามาออกมาจากใจทหารกขหาลงถึงใจใช่ไหมแล้วก็ทุกย้นลงมาหาเอากทุกและปัจจุบันใช่ไมเพราะทําทให้สมฐานะ ที่ปีนขึ้นมาให้ขาดทุนมาที่เราพุ่มว่มาหอดอเนี่ยพี่น้จ๋าหอดกับบ้านเ็กชั่วโมงหาเดิมเง้นละพันลาดกับพวกนี้จะกินก็ค่อยมนี่แหละเป็นทาวันน้ำวันน้ำน้ออันนี้นันเป็นข้าวเชี่ยวหายนั่นมันเป็นข้าวเจอรมันไปมนุษ วิบัตสวัสิวัติมวิบัติใน่านวิบติวบัติทั้งทรัพย์สินภายอกภายนอกทรัพย์ภายนอกกับวิบัติทรัพย์ภายในคือสินเท่ากับวิบัตินํากันอันนี้แหละมันจิตจิตจิตใจของปทสสาวะส้นสนระลกโดยเสมอเลยเชสมพระใดกับพระใดเพชรสมพระี่กับพมีพระอภัยศรีคาเดชคาผาคาวัดคาบุรุษวัด ตลอดทั้งที่เดินหลกสุดไรหน้าอ่อควายไปเขาสมัติว่าเมีที่เอาไว้หายห่าจะพูติยาจะตาจะถวดเอาไปคิดพายพาพาาเาไปเก็บฟ้าวัดเบื่อบวกเบียเมดเศร้าโลกเส ม, มอเลยเห็นผิดเปลี่ยนชอบเปลี่ยนเม็ดาทิฏฐิก็เห็นผิดบ่ามันสัมมาทิฏฐิสัมมาเม็ดสาทิฏฐิก็เห็นชอบเห็นผิด มิจฉาสังคโปรก็ดำริผิดดำริห้าอันนี้คมิจฉาวาจาส่วนเงินไปเรียนอันนี้ก็บผิดมิมิจฉากรรมมั่นโตการงานเอาอันนี้เป็นกา ร, รงานก็เรียกว่าการงานผิดมิจฉาอาชีวะ เรื่องชีวิตหลังเสี่ย อ, อนนี้เป็นเรื่องชีวิตกับพิษมิจฉาว่ายา่าโม่พย่ายามอันนี้กับพิดมิจฉาสติแล้วกระงนี่กับพิดมิจฉาสมาธิต่างมันไว้ในอันนี้กับพิษพิษจะต่นกับพิษบดขัดขทางเวน้นอันนี้เนี่ยก็สมาธิ สมาสังกโปูดำริสอบสมา ท, ที่เห็นสอบสังกโปดํำริสอบว่าจาว่าจา้าส่วนกันไปทําหายังซีวิตย์ในท่าที่ช่วนกันไม่ในท่งที่สอบกำมั่นโตการงานกับสอบอายุโยร์เรียงซีวิตกับสอบสติระลึกขึ้นกับสอบสมาธิตั้งใจไว้ในท่งที่สอบ เชื่อมือ น, นี่เป็นนาทีของพีโนโ่น้องข้าพี่จะหน้าทั้งนั้นเสม อ, อ, อนี่อดละมาเนเพราะเศร้าโลกปฏิบัติทางเหือนจากสินทรรมนามกระทวมแรงกระแรง่งมันถวมกระทวมเพราะพอดีมันแรงกระแร่งจนบะมี่น้ำเฉ่งวายควายกิน ม่ามีนามช้่เขาใช้นามคึนมาพืชของเศร้าโลหค้างเหินจากชิ้นท่มามขา้มาหางเหินจากชิ้นท่ามหหางเหินไปุดแนว่วขาพ่อขาแม่ก็ไปนั้น บอกเกี่งหมดสามาญ ร, รักศพเจ้าคองเล่าวิ่งไทยเวิงเกลีวิ่ีงขีนฝนรมครบมัดทกแนวตลอดถึงกามมาร่มรวงละเมิเดแหล่าขาขาพิษปากมันเหลือวิไัเทวดาสิทรงเสริมเฮาไฟพระบอกเหล็กบอกพ้าบอกวัดบอกเบอแพร่ๆขอขอ ขายพรเล็กพน่อยครบมัดไฟพระกรได้ไฟประชาชนกับไปแบบนึงไฟเจ้าไฟนากับไปแบบนึงไฟชิ้นท่ามนันอยู่ในตู้ในหีบอยู่ในกระดาษเหมือนว่าอยู่ในหัวใจค น, นพระบดาพรส่งสรรเสริญ ธรรมคแต่คาพระธรรมะอยู่กับลูกระเบิดฟาดใจของดีมันมาพังมดกวาบเหมืนเมือเป็นทะเลมดกวาบบนเราซ้นั่นเขาเรงเลียนฉิมพี่น้องธรรมะแต่อะไรพี่น้องทั้งเหนือทั้งกรุงเทพทั้งภากลางภาคใต้กันซะระเบิดขอบพดไม่จะแน่วเปลี่นเกี่ยวทรามะ นาโลกอ่้เนี่ยนาะเจ้าเจ้าจามทธรรมบ่เมี์ทเทวุทธิเทวดาพราทรงเสริมนะพราเจ้าพระสงฆ์เรียนเลขเรียนฟ้าเรีนบัดเรินเบือ่อสูเขารักษาศีลวิวานว่าได้พระแพ้หรขอซ่องเขี้ยวซ่องเขา่าทําท้าเป็นผู้ประเสริฐเลืล่ล้ำ ใชพระเล็กพระหน่อยวะเนี่ยพระตัวกดีเนี่ยไนกระทองปฏิบัติสมควรแก่พระโยมตัวดีเนี่ยไรก็ะทองปฏิบัติหสมควรแก่โยมตลอดทั้งเจ้าน้าิกูก็ดีเนี่ยไรกับปฏิบัติ ไหนมันถือตามเจา้าตาหน้าทางคนทางที่เตียนกันทหารตำรวจคือกันกูก็ดีเนี่ยไรตีนเกี่ยวควัดปฏิบัติของทหารตำรวจจางไหนก็ต้องพันหนา้าซะกันมันทั้งสี่ได้แต่ก็เจอโลกเข้านะี่กําลังเสดแตกกันปั่นเขากันเน่ามติดปั่นเขากันมติด ผากเตะกะตออร อ, อยเียกาครบมัดน่าน้องก็ครบมัดอร่อยบเงือกวบขี่มั้งนะไม่มต้งเจ๊เนื่อเทวดาพวนีย้ยอมสำเอ่อบ้า บ, าบ้ามันนะ้่ะลงนังลงละครลงลิเกนังโป้ลงขี่มัน้นะครบมับดสาราดบางหลวงก็ครบมัด ในโลกธาตุเนี่ยนัตติรชานมันลวงระมิดกามาร่วมกันแล้วมันก็ปลอยถิ่มไปด่างร้ายกัดม้ากัดยังดีก็คนเฉลิมบางนางแถมันทำนี่จะมันกัดกันตุกูนะตรงนี้มันว่าขอนจะกัดจะเกืือมันปล่อยหนีไปแหละขึ้นเอาไย มรื่องมือเนี่ย <Gear description. S 1> <ín> ้องแะมือก so ันทั้งว่เป็นทิ้งเป็นท่าลาค้าที้พ่อผมเฮ้ยอีพอยแม่เอ้ยผมเคยได้ยินอันนี้เป็นหน้าที่ของพี่น้องท้าพูดท้าชี้จิศนาอันนี้ต่อไปนี่ละเมื่อยเมยเมื่อยไรมวเนี่สี้ตอดออกแล้วน้องยท้าวาดีวาภราบาคที่สากลามเร็วม่วันยึดตัวเทียนนั นิชาังโอทะติิธิทางปฏิทางทุ่เมสมิตตุภพยาูเรนทสังกปาันโทปนโสยตาบริโยติระโสยตาพีิววัชสัพพโลกภูณตทุมาเทควัตรดารโยวิคีทายโโพตวัิวัชชีนิชานิจงโอชาปัญญโงยะตาโรตมววัันติภาริวณูสุตังภะรา เบอรเียพพุทธศาสาานามู่ห้าวทั้งหลายทุททรรคทกคนนะเพราะั้งใจโลภธาตุลงประสบเลยความทุกขคนจะเลิศยีงกันไปจนทั้งที่ทุกข์ทุกขโดยชอบทุกข์าส น, นาทุกเมื่อว่ามีประมานพระกาเทอกนากาอออาปอญญาตระกัด้ห่งเวลาเ ม, มื่อไงเมื่อไาเมื่อไงเมื่อไรหม่เป็นวัดกระป่นเป็นตะขิว ก, กระป่านอืมัะขิาาวกระป่านไอจัมพั่นไหม แต่มีความหมายอันเดียวกันในการละกิเลสในการพ้นจากกิเลสก็เหมือนกันพระอรหารเรียนพุโทโธจบพุโทโธไม่มาเกิดมาแก่มาเก็มาตายพุโทโธไม่มาโลมาโกรดมาหลงเรียนธรรมโอ้ก็จบเรียนสังโฆก็จบธรรมโอแปลว่าสงไว้เพื่อทำอะไรไม่เกิดไม่หลับสังโฆแปลว่าปฏิบัติทำเพื่อไม่เกิดไม่หลับ ได้ในนรกล้วนอนิจจังได้ ไ, ได้ไรกลรวนทุกขงังได้นสสในนรกล้วนอนัตตาเราต้องใช้ไดนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วนทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ได้อยู่คนละเป้าอยู่เป้าเดียวกันไม่ใช่เราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจนารณาหน้าม้าจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีไม่เป็นอย่างนั้นเราพิจารณาอนิจจังอนิจจังจึงจะมีเราพิจารณาทุกทุกจึงจะมี เราพิจารณาอนัตตาอนัตตาเป็นยังไ ง, ออออ ง, ง, ไ, งไอ้แท้ๆมันคืออยู่เป้าเดียวกันเป้าอะไรเป้ารูปเป้านามนีเองเพราะในโลกในวัญหัติแต่อันนี้ต่งทุกครั้งนานตาไม่ได้บัญญัติพระนิพพานด้วยพระนิพพานเหนือโลกเหล่านี้ไปแล้วพระนิพพานเป็นผู้รู้ไหมเหนือผู้รู้ไปกันไม่มีที่หมายพระนิพพานถ้าไม่อยู่ก็พอเหมือนเหมือนหมุนๆนี่เองถ้าจะเอาความรูปความหมายอมาเป็นพระนิพพานมันก็ตายคากันมันไปไม่รอดนะ พระเนี่ยพาไม่ใช่ผู้ลูกเหนือผู้ลูกไปกันไม่มีที่หมายที่มาใอยู่ถ้าหมายถูกก็เป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าหมายไม่ถูกก็ลงนรกพระพระมานะที่นี่พระคุณมาจากไหนวะเ น, นี่ยฮะเอาน่าจะเล่น<อ>มั้งอ๋อมีพาจากองค์เงี้ยหอพาชิพ นักธรรมั้โมตัวเขาเลียนมัตัวเลี้ยงนั่งคือนักทรรมั้ปีนี้ก็เลียนมัยนี้เรียนมัตกรผลมาซอนนายงานขวดขวดบวบขวบอวขอขวปัญหาบอ เรื่องพระเออนี่ได้ข่ะนเนี่พวกขาวเนี่ยมาจักใจเ่ยเออปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ปัญหาไม่มา ก, มากปฏิบัติเพื่ออันอื่นปัญห า, ากว่าเจตนาอ่านว่าเจตนาเจตนาถึงโลภุตระ เขาคือเกจตนาุูป hmm. um, ัติปันโนทูปัติปันโนไม่ใช่์ไดอยากรวงละมิดสิทิห้าไม่แชร์ไดอยากจะถือศาสดาอื่นไม่แชร์ดอยากจะถืออยู่ยงคงกรบอันไม่แชร์ไดอยากจะถือเมตมวลคนราคาถาภายนอกไม่ชร์ได้อยากลวงอะบายมรกทุกประเภทถ้าแชร์ได้อยากลวงลเม่ดละบายมุกทุกประเภทหรือวงะมิดสิท์หน้าหรือถือศาสดาอื่นอยู่ ปะปลกันทั้งความด้วยทั้งเวทมนตราคาตาด้วยทั้งพุทธด้วยทั้งธรรมด้วยทั้งพระพุทธศาสนาด้วยทั้งรัฐที่อื่นๆด้วยมาปะพลกันก็ไม่ใช่สุปเิปันโนถ้าไม่ใช่สุภเิวันโนแล้วก็อยาละวังเลยจะถึงโลภตระก็เป็นหน้าอะไรวะเจตนาก็เป็นเจตนาอะไรวะทาไมสุปเทวันโน่ จึงเจตนาะเพื่อคนทุกในวมิตตาสองสามอย่างนี้ออกเพราะท่านเห็นชัดว่าในใจโลกธาตุนี่จนเป็นว่ากองทุกข์ไม่มีสุขเชื่อผลหรืเดือนั้นจิตใจจึงยังถึงพระนิพานถึงจะยังมาถึงก็อย่างแล้วตั้งคิวไว้จองคิวไว้เลไม่ได้จองคิวไว้ที่อจองคิวก็ดีเจตนาดีความมุ่งดีความประสงค์ดีก็มีความหมายอันเดียวกัน ถ้ายังโสเป็นโสตายอยู่กับโลกีแล้วก็ไม่ใช่สุบเทปันโนหรังจนถ้าหวังยังเป็นสุขอยู่กับโลกีแล้วก็ไม่ใช่สุปเิปันโน ย, ยังเป็นโลกีอยู่ชุปฏิปัปโนโนไม่ไดหวังสุขอยู่ในโลกหวังสุขในพระนิพพานเดินก้าวหน้าไปไม่เดี๋ยวซ้ายไม่เดี๋ยวขวาไม่ถอยหลังเลยถ้าสงสัยมาจะแวะซ้ายแวะขวาไม่ใช่ชุบเทปันโน เม่อไม่ใช่สุปฏิปันโนมันก็เป็นโลคีอยู่ตามเดิยบางท่านสาคัญว่าตนมันพูดถึงธรรมแต่ว่ายังยินดีในอบัยยมรู้นั่นไม่ใช่ไม่ใช่สุปฏิปันโนไม่ใช่ผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมในโลกีผู้เดินวนในโลกีสิ่งไหนที่ไมเสียดายหลับล่องระมสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจ สิ่งไหนที่แช ร, ร์ได้ก็ไมลรูร้จุดสิ่งนั้นก็นหนักใัแมันน้าลายที่วันที่ไหนก็มาแชร์ได้อยากาลงเอามาคืนดูแมันุ่มดันเพอไม่ใชร์ได้อยากลงไปดูมันจะหนักไปใจไหมมันก็ไม่หนักกันะโมพระโสดาวันนันนะโมแปลว่านอบน้อมแต่ความนอบน้อมมันมียิ่งยอนกว่ากันเป็นลําดับพระโสดาวันนอบน้อมไม่ลงทาง พระาตาขามีควละเอียดแต่ก่อนนั้นพระนาคามีก็นองนองละเอียดแต่กนนั้นพระทหันนองน้องจนไม่มาเกิดแก่เกียจตายจนไม่มีโรคไม่ปวดไม่หลงละเอียกว่ายังนามโอจุกพระทหารใช่ไหมก็มาฐานของพระทหารตั้งฐานไว่ไม่โรคไม่โกดไม่หลงเลยก็มาฐานของชุปฏิียนปโนตั้งฐานไว้ไม่หลงทาง ชุช ก, ก็ละเอียดไปกว่านั้นยายะก็ละเอียดไปกว่านั้นยายะตั้งฐานาไม่มีโรกไม่มีโกด ต, ต่ว่าหลงยังมีหรือเปล่าเป็นอนุสัยนิดหน่อยส่วนถึงพระอรหันต์แล้วตั้งฐานวาไว้ไม่ไม่มีในโรคในโกดแล้วอจะเจริญฌานสมาธิสมาบัติก็จเจริญไปเฉยๆเพื่อบรรเทาขันทข้าในาปแผ่เมตตาก็แผ่เมตตาไปเฉยๆไม่ได้วังว่า เรามีความโกรธเราจะแผ่เมตตาให้มันหายโกรธมาได้หมายความอย่างนั้นเพื่อเป็นที่อยู่ของขันเทพบาสเะ่า น, นั้นพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะอสาุฟังคเหมือนกันทําเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของขันเทพบาสไม่ได้เพื่อละกิเลสเหมือนพวกเราที่ยังไม่พ้นพวกเราที่ยังไม่พ้นก็เพื่อละกิเลสภายในตัวด้วยถ้าไม่รักษา มันก็เพี้ยนจริงๆพวกเราทําไมรักษาจิตมันก็เพี้ยนจริงๆพระอรหันต์ไม่ได้รักษาจิตเพราะจิตท่านไม่มอโทษท่านท่านก็ไม่รักษาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเมืองครึ่งของอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดในใจโลกธาตุได้ได้โลกวัฏอนิจจังได้ได้โลวัลวทุกขงังได้ไดรโลกวัฏอนาาัตตาอย่าส่้ายในนาทั้งอาดีตทั้งาคตทงปัจจุบันด้วยทีนี้ละเอียดก็เป็นอันนี้ก็เป็นใจรักอันละเอียดจึงไรตาการก็เป็นใจรักกาลกา ร, การ จริงแล้วอย่างก็เป็นใจรักขนาดยาว่้าระวางไม่ได้ทำไฟเกิดไหลับคือใจรักก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำไฟไม้เกิดไฟ้ับก็จริงอยู่ไม่มีกลางคือวลางวันกลางคืนขึ้นอยู่กับผู้รู้ทำไมรู้ไมันขึ้นอยู่กับผู้เห็นทำไมเห็นเป็นจริงอยู่ไม่ลองทำมากเลยพระพุทธเจ้าจะมาตัดชะลูกก็มีอยู่พระพุทธเจ้าจะมามาตัดชะลูกก็มีอยู่ประจําโรคอยู่ประจำสังขารสังขารก็คือใจรักใจรักก็คือสังขาร ทุกก็คือใจรักแต่รักก็คือทุกอ น, น, นัตตาความไม่ใช่ของตัวนก็คือใจรักใจรักมายืนยันว่าจะอยู่ในวงแขนของท่นานผู้ใหพระนิพพานก็มายืนยันว่าจะอยู่ในวงแขนของพระไตรมาสกันเนี่ยฉะนั้นก็เป็นสัพเพธรมรมะอนัตตาเหมือนกันพระนิพพานก็มายืนยันว่าข้าพระเจ้าจะเป็นพระนิพพานท่านคนนั้นคน้นี้ไม่มีเป็นของกาลอยูนะ่แล้วสังขารก็สังขารทาในสัพไตโลพธานทํานทในโลกศาสนะย้อนลงมาก็มีสอง <mister ius> สังขารทำวิสังขารทำเท่านั้นสังขารทำคือทำที่เกิดที่หลบวิสังขารทำคือทำที่ไม่เกิดไม่หลบเธอจะรู้ตามมาเองปฏิบัติตามมาเองลดทอนตามมาเองสักอย่ามายึดคือทำวมาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นมนุษก่อนทำมันก็ยกเว้นให้ทำสักอย่ามาเป็นเจ้าของแต่พูดเดียวทํานพูดนะทำไฟเกิดไฟดับใครเป็นเจ้าของทาไฟไม่เกิดไม่ดับใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของกลางอยู่นะจึงยืนยันว่าสัพเทธรรมะอนัตตาที่ ทำทั้งหลายทำความปเป็นหนาตาไม่อยู่ในกำเ ม, มือของท่านคนใดยังของการอยู่อย่างนั้นรัสกาคตจะมีมากระมหรือไม่มีกระทำเป็นยุคปลายข่าวก็ตามทำทั้งหลายก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ผู้รู้ทำจะมีไหมก็เป็นยุกยุคของผู้รู้ทำเท่านั้นถ้าผู้ไม่รู้ทำทำมีไหมก็ทำมีอย่กว่ารัชก า, ต, าตไม่รู้ทำทำก็มีรัชกาลรู้ทำทำก็มีอยู่เท่าเขาเมาตเนะ้น สัาคดเป็นผู้จําเนีจําแนททำก็ดีถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนสัาคดก็ไม่สามารถจะรู้ทําได้ไม่สามารถจะจับแ ก, ก, แกงแต่งออกได้เหตุฉะนั้นเราสัาคดเป็นเขาต้องทำไม่สําคัญตัวว่าอยู่เนื้อทำใดๆเพี้ยนนั่นไม่สําคัญว่าทําอยู่ในวงแขนของตัวแต่ผู้ใดถ้าหากว่าทํามีอยู่ในแต่วงแขนของตัวผู้ใดสัทธาคก็ไม่สามารถรู้ได้ต้องมาขออนุ ญ, ญาตกรับเราให้รู้เสียก่อนสัทธาคดเนทะารู้สัทธาเหตนนั้นสะพเพธรรมาอนธาธัตตาติ จิงหมายถึงปัญญาฐนด้วยไม่ได้หมายแต่สันขารอทาในทางพุทธศาสนาอานาตตาพนั้งลึกกว่าเพื่อนอันนี้จังทุกครั้งอานาตตาศาสนาอื่นเขาก็เห็นอยู่อันนี้จังทุกครั้งอานาตตาศาสนาอื่นไม่เห็นเลยมารักเอาของมาพุทธศาสนาไปก็มารักเอาสองสาวันนี้เหมือนกามา เอาผลหางและผลหงอนของนกยูงที่ร่วงเริงรุ่นตามฝ่ามาแทรกแทงผลของตนนี่น้ำซําตัวของมันก็กากากากาหมอกอยูนั้นเองใช่ไหมคำสอนอะไรอะไรใส่รกชาติมันเป็นะยืนขึ้นคําสอนพุทธศาสนาหมดอยู่ในตัวแล้วเหมือนเข็มทิศมันจะมีที่ตั้งข้ามปรเทียบเป็นภาษาสิ่งนาแต่ไรู้ตัวกันได้คําสอนใะๆก็เป็นมาขึ้นคําสอนพุ้ศาสนาแต่ไม่รู้ตัวฉันนั่น เที่ยมเนี่ยทางลึกถึงน้ำพอน้องคลองบางๆต่างๆแล้วเรงสูตหาสมุทรรลอยในรู้ตัวําใดคาสอนไดก็ไรลองสูตรคำสอนเร่ศาสนาเะไม่รู้ตัวสำนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกใช่ไหมอเอพระพุทธศาสนาครบพอเต็มภูมิแล้วทุกยุคทุกสมัยจึงพนามาทัศน์เทวมรสานเป็นผู้สอนของเทวดานมุสาจึงบริบูรณในทั้งวบืต้นเบื่องกลามเบปาย ไม่มีนักที่ใดจะเสมอเหมือ น, พ, นพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาสอนวิชาปกครองโลกอย่างเต็มภูมิแล้วสอนท่างมนุษย์สมบัติสอนท่างพรมสมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติยิดผ่านสมบัติไปในตัวด้วยพัฒนาท่างวัตถุนิลกและอดอมคติไปในตัวด้วยคการสอนพระพุทธศาสนาะเอา้อาอวัยวะมุกถ้าใครร่วงก็เป็นมนุษย์ในบัตรก็เป็นสวรรค์ในบัตรก็เป็นพรมนบัตร ก็เป็นนิพพานนิวรัตถ้าในร่วงแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภสมบัตินิพพานสมบัตไปในตัวด่วงเอ้าคำสอนของพุทธศาสนามีอาวุธอยู่สองอันเท่านั้นปกครองโลกทิ้งอาวุธอั น, นั้นมาปกครองมาอยู่โลกทํำแต่โลกบาลคู่ครองโลกสองอย่างความละอายตราว่าความกวัวราวาเท่านั้นจะปกครองโลกได้ ถ้า้าวลกมัมียาอายตบบาป ไ, ไม่มีความไม่มีความกลัวตบบานแลวดหมายจะตั้งไว้ขี่ล้านร้อยๆเหมือนๆแขนนัดมาตาป้าตามมันก็ตั้งไม่อยู่อยู่ของทําไม่ น, ำำนําคํำเลยก็หมดที่พึ่งตัเองอาศัยทั้งคนชัว่วมาได้ที่แค่มาได้ก็ไปทําแบบที่รักนั่นก็ตั้งไว้สําหรับโดนคนโง่เท่านั้นถ้าคิดใจไม่มีธรรมะไม่ยาอายตบบานไม่มีความกลัวตบบาปแล้ว จะแป้งไว้ที่ไหนที่นี่ใครวันหยักบากบุญคุณโทษถูกเพราะพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระไม่มีเกลือพระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์มมงไม่มีเกลือเอ้าถ้าร่วงเมื่อละอายตบบาปไม่กลัวตบบาปแล้วมันก็ไปร่วงแล้วเมื่อเส้นห้าใช่ไหมถ้าชาวโลกมีชส้นห้าบริบูรณ์แล้วนับแต่อายุเจ็ดปีไปส่วนละใบเสียจริือผิดมนุษย์ก็ยกไปสัก ส่วนผู้ที่คนวอรดิบูลนอกแต่อายุเจ็ดปีไปรู้จักเรียังสามีที่หน้าวอรดิบูลนะสงครามจะมีทำไม่ก็ไม่มีสัตาอาวุธกอ่ทหารก็ไม่จำเป็นต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องจำเป็นต้องมีชาวโลกก็นอนไม่สะดุ้งวาเพราะไม่มีเรียนอยู่รับผ้านใช่ไหมนั่นนั่นนั่น คารักชั่นมาจากไหนมาจากร่วงละเบิดชิ้นห้าโรคเออดมาจากไหนมาจากร่วงระเมิดชิ้นห้าใช่ไหมรักจกจบห่อมาจากร่วงระเมิดชิ้นห้าใช่ไหมนั่นนั่นเออชุลามีอะไรมาจากร่วงระเมิดชิ้นห้าใช่ไหมฆ่ากันตายในเวลากําลังดื่มอยู่ก็มีนันนั่นั่นนชาวโลกมีชิ้นห้าเทานั้นกฎหมายก็ไม่สสต้องตั้งมากตั้งเพียงกฎหมายกฎประมาณและกฎหมาย ภาษีอากรก็พอแล้วใช่ไหมนี่ชาวโลกปวดดีปริญญาเอกปริญญาโทอย่ญญางนั้นอย่างนี่แข่งพระพุทธ ศ, ศาสนาทีนี้ห้ามามให้พ่ปลาลกการบ้านการเงิ น, กกนพระพุทธศาสนาไม่สอนบาสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไห น, นถูกไหมพระพุทธศาสนาสอนโลก พุทธะจริาายาทรงปรพฤตเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธเจ้าญาตัธจริยาทรงเป็นประโยชน์แก่ญาตโลธรรมจริยาทรงพฤตเพื่อเป็นประโยชน์ของโลกพุทธจริาายาสามปฏิบัติมาสร้างบาร ม, ม, ามีมาแม้ถึงเป็นพระพุทธเจ้าเต็มภูมิแล้วก็ประพฤติอย่างนั้นอยู่สทานนั้งทระพยัญชนะกางเกว่าปณิวุตังร ป, รรปริรพรุทธังปณิสัญญังปณิสังเสศิวันนี้โบ้แน่ทั้งอัตชัตทั้งทพยามชนะ ขึ้นเชิงธรมหาพระกุมารงพระพุทธยามีตามหาพระกุมารจางพุทธศ า, ศ า, า, ารนรศ า, ศ า, ศานำมาเนี่ยจึงยอมกราบไหวไม่ได้กราบไหวด้วยโ ง, ง่งๆพระพุทธศาสะนาะถ้าตําและผลของกรรมมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันนั่นคดีดาคดีแดงในโรงในศาลมันจบกระเสียงเป็นเงินที่ไหนมากมากรชนะเท่านั้นใครจะชนะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมกาตามใครจะรวยมาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็าตาม ใครจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามทางเป็นธรรมก็ให้ผลไปทางนี้ทางไม่เป็นธรรมก็ตามเธออยู่เสมอฮะถ้าอย่างนั้นก็พัเชียเขาถือว่าไม่มีมบุญไม่บัดนักลลพระโกระมันไม่รู้ทาไมเราถึงปฏิบัติผิดๆพระมันไม่คิดไม่คิดจริง ถ้าโรคปวดหลงยังมีอยู่ในจิตตสันดาลของเราของท่านพอดีก็ไม่ควรจะปฏิเสธเครื่องบรรเทาและข้าเหือยดแยหลายไปนั่นนั่นั่นนี่ถ้าหากว่าโรคมีอยู่ในสันทัสันดานอยู่ในร่างกายของเราการปฏิเสธรักษาโรคก็ไม่มีถ้าหากว่ามันสกปรกจริงจริ ง, รงการปฏิเสธอาบน้ำก็ไม่มีนั่นักนนั่นนั่นทำไมเราจรึงปฏิบัติสินต์ธพระจัดบรรเทาเฉเี ให้หแห้งขายไปหรือบรรเทาลงพอประทังประทงังเอา้าวถ้าเรามีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกชาตโลกจะเป็นยังไยงยงังต้องให้ร่องหมเสียังทรบเสียงแข็งก็เต็มโลกสวัสดีคุณป้าคุณลุงคุณหนูคุณปู่คุณตาคุณตาคุณยายเอามาจากไหนก็เอามาจากอายุวัโนสุกข์ันพลังของพระใช่ไหมครับ นี่ภาพธของรัฐมนตรีกาตาชาเสือเอามาจากไหนก็เอามาจากภาพสังคายติของพระใช่ไหมนะที่นี่ปัญญาตีปริญญาโตปริญญาเอกเอามาจากไหนก็เอามาจากพระุศาสนาใช่ไหมพระพุทศาสนะว่าญาตัดปิญญากําหนดรูปรายการตีนะนะปัญญากําหนดดูรายการพิ่าสนาทหาะปัญญากําหนดดูปรายการรับเกษา ร่งพุทาสนาลกิเลตเสียญาตปัญญากำหนดรูปอาการรูกรูปทุกข์สังข์ไชยนิโรธมัตย์ดีนะนะปัญญากำหนดรูปด้วยการพิจาราพิจาาทุกข์สังขไชยนิโรดมัมหาปัญญากำหนดรู้อากางเสียรูละบาปบำเพ็นบุญรูปละกิเลสต้นจากกิเลสเมื่อรู้เท่าแล้วละเองมั้ยเหมือนเราเลืมตา ลืมตาขึ้นตาให้ฟงังแสงมันก็สว่างเองตาก็ไม่ฟา้าแล้วลืมขึ้นเมือ่อเอ๋ยเชยตรงนี้สักไม่ได้บอกจินยาที่ลืมตายกับปริยาที่เห็นสว่างไม่อยู่ห่าง ก, กันเลยเหตุผลมาอยู่ห่าง ก, กันพอเอก่าเพตุนั่งผลก็น่งเหตพูดฝลก็พูดเหตฟังผลก็ฟังเพตเข้าใจผลก็เข้าใจเพตุไม่เมข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหต เพื cues, society, son, <to himself> like un, ่อจำผลของเตุของพของมมาอย่อาการต่อเก่าทำมันยตาผูู้จักเตุูจากว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกแลันยตาเป็นผู้รจักผลรู้จากว่าศุก์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ศุก์เป็นผลแห่งหอันนี้อันนี้มันเป็นธรรมของุขตุโนว่กต้นเแทงคิดหมายไปบรรยัติการเริ่ ก็คือเหตุอบายยมุขแต่พระบรมศาสดาบอกว่าทางชี้ผายไม่มีสารอุทธรเลยโหมนเอกพระพุทธศาสนาเนีเอา้าทายไว้ถูกอยู่ทุกตริยาบทเมันเอามาทายซ้ำๆซ่าๆอบายามุขทุกประเภทมันเหตุในการชี้ผายแข่งมากแข่งมัวตีป๊ตีจับอบายยมุขตรงนั้น นักเรงหญิงนักเรียนงชลานักเลงเล่นการพนันเขาขอช่วยเป็นนิสัยขั้นกำลังงานในทางที่ชอบวายุขั้งนั้นอุติธาตราวินทะเตะท่านังคนมันย่อมหาทําได้ไม่ใช่มันเล่นเล่นเล่นผาเล่มัดเล่มือมันทําความดีใครเป็นผู้ทําขึ้นความดีใจเป็นผู้ทําขึ้นไม่ใช่พระพู้เป็นเจ้าภายนอกพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจทําขึ้นทําดีเขาไปบวกดีอยู่ที่ใดทําชั่วเขาไปบวกชั่วที่ใดไม่ใช่พระผู้เเจ้าทําขึ้นพระพู้เเจ้าจิตเจ้าใจเป็นผู้ทําขึ้น เราเป็นเพียงชี้บอกเท่านั้นเมื่อนอนก็นอนเองกระหายน้ําก็ดื่มเองหิวอาหารก็ทานเองเราแตสละคนเป็นเพียงชี้บอกเท่านั้นจะทําแทน ไ, ได้หรมอเครับทําทเรากล่าวดีแล้วท่านทั้งหลายไม่ปฏิบัติตามก็เป็นเรื่องของพวกท่านทั้งหลายถ้าถ้านมาทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราแล้ว เรามารู้ธรรมก็อยวกวากเป็นหลังฉากของธรรมถ้าทําให้มีอยู่ก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะรู้ท่านพูดครับนี่เรามารู้สักเพียงไหนก็ตามก็เป็นหลังฉากของธรรมเหตุฉะนั้นเราจึงเคารพธรรมสัธพโมฆราตโพเคารพธรรมเราแก่จมเลยเราไม่กระด้างกระเดือ่อง า, า, วาความชั่วแล้วก็เคารพความดีแล้วก็เคารพรักษาไว้ความชัว่วเราก็เคารพเว้นอาก็ไม่มีที่แสื ถ้าว่าอะไรก็พระผูเป็นเจ้าสร้างขึ้นอะไรก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นภายนอกพระพเจ้าภายนอกไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าภายในยพระผู้เป็นเจ้ า, ภ า, าภายในก็คือใจิตใจแต่ละทา่านแต่ละคนกรรมวิญญาวัตถุโลกโอ้ทารก็ย่อมเปลี่ยนไปตามกรรมก็คือกรรมมโนกรรมของใครของมันสร้างขึ้นถ้าสร้างขึ้นมาแล้วจะทิ้งให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายมันก็ไม่รับมันก็ไม่ปัดอีกเหมือนกันถ้าเอ๋ย้าเอ๋ยท่านต้องเป็นตาเนอะข้าพระเจ้าเปลี่ยนใจท่านต้องเป็นตาเนอะข้าพเจ้าจะเป็นใจ สมมติว่าใจตาเขาก็ไม่ครับเจ้าข้าเขาก็ไม่ว่าปฏิเสธเขาก็ม่ปฏิเสธหูท่านจงเป็นหูเนอะครับเขาก็ไม่ปฏิเสธจมูกเขาก็ไม่ปฏิเสธลิ้นเขาก็ไม่ปฏิเสธเขาไมารับไม่ปัดด้วยไม่โอเบิดขาด้วยกายเขากไม่ปฏิเสธไม่รับไม่ปัดไม่โอเบิดขาที่นี้ตาหูจมูเลือดาไม่ใส่ชื่อหรือนามให้จน จนก็ใส่ชื่อ yep. er so ไว้ใจงใจใจใจถ้าไม่รู้รอบใจตอนไหนก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจตอนนั่นใช่ไหมถ้ารู้รอบใจตอนไหนก็เป็นจบอยู่ตอนนั่นใช่ไหมเหตุผลใครเป็นผู้รับเหตุและผลก็คือใจอันยวเป็นผู้รับเหตุและเพราะเป็นผู้วางเหตุวางผลสิยงสมาที่ปัญญายจะลงมาหาใจใช่ไหมจะลงมาหาปัจจุบันแยกไตรคือขาเป็นเทือกขาเกลียวอยู่ที่ใจไตรคือขาของพระโสดดาวัน รวมในปัจจุบันก็จริงปัจจุบันพระสุวรรณปัจจุบันสักตาคามีปัจจุบันพระอนาคามปัจจุบันขพระราหัสมียิ่งย่อดกว่ากันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระพระเจ้ปัจจุบันพระรัมาพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเพื่อนเพราะมีญาณสมยุทธต่างกันถูกไหมปัจจุบันพระสุวันปัจจุบันสักตาคามีอนาคามีอาหาจักรเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันของช้างปัจจุบันของราชสีจะเอามาเทียบกําลังเสมอกันไม่ได้ถูกไหม ปัจจุบันมีคุณค่าต่างกันเทียบเราโลกตระปัจจุบันนับแต่ปัจจุบันกันจนไปต่ำกว่านั่นเป็นปัจจุบันโลกีเช่นนักมวยเอกอย่างนี้เขาก็รักษาหมัดในปัจจุบันใช่ไหมอดีตเขาชกมาแล้วถูกก็ถูกก็แล้วไม่ถูกก็ไม่ถูกก็แล้วอนาคตต่อยังไม่มารักษาในปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมนะเราเดินก็เหมือนกันก็รักษาก้าในปัจจุบันเก้าอดีตเก้ามาแล้วมันทำไม่ตนสรุกชุดต่ออนาคตต่ยังมาทันเก้าวก็รักษาเก้าปัจจุบันใช่ไหม ผู้ไม่มีจิตอยู่ในปัจจะวันเมื่อชนเดินไปชนอะไรจนเล็บขาดใช่ไหมนี่นั่นท่านให้ระวังในปัจจุวันปัจจุ ป, ป น, นันจโยธมังผู้ใดเห็นทำในปัจจะวันผู้นั้นม่งอนย่ก่อนแทนแล้วลง ก, กำลังหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้จักในปัจชวัน ใจรักก็มีในปัจจุบันอดีตคืออะไรคือใจรักที่ล่องไปแล้วอนาคตคือใจรักษที่ยังไมมาปัจจุบันคือใจรักจะกําลังมัเป็นอยู่เมื่อเห็นใจรักชัดในปัจจุบันนี้อดีตอ น, นาคตกต็ไหมต้องสงสัยใค่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีข้ามไม่ ม, ม, มีใครข้ามทะเลหลงของตวัวได้จะไปทุกย้ลงมาหย่ากระทุกในปัจจุบันใช่ไหมในโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์ใช่ไหมสังขารโลกโกคือสังขารสังาโลกคือหมดสัตว์ โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมลนโลกเมล็ดโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี่เทวโลกและแก่สัามาพัชระหกั้นเพามโลกได้แก่โลกภพที่หกชั้นและอาลูปภพที่สีชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาสังขารโลกสังขารโลกแบ่งเป็นสองสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองสังขาราพนามทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้กลงเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกัน เมื่อโลกจะไปด้วยทุกอย่างนี้แล้วเห็นทุกชักในใจโลกธานุแล้วชะไหนจะยินดีในใจโลกธานุจิตใจก็น้มไปเอ็งไ ป, องไปโอนไปในพระนิพพานอันไม่ทุกข์เท่านั้นเองถ้าทุกมีอยู่ตามใดสิ่งที่ดับทุกข์ก็มีอยู่ตามนั่นถ้าเกิดแก่ไม่เจ็บตายมีอยู่ตามใดสิ่งที่มาเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีอยู่ตามนั่นถ้าโลกคนหลงไม่มีตัอยู่ตามใด สิงที่ไม่โลดไม่โกรธไม่หลงก็มีอยู่อยู่ตามนั่นและพิธีปฏิบัติก็ต้องมีอยู่ิามนั่นทุกเป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนิโรธเป็นผลขอ ง, ของมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิโรธอนัตตาทุกสมุทัยเป็นอนัตตาทุกควเว้นอนัตตามรรคและอนัตตนิโรธเป็นอนัตตาที่ควรเจอมันก็ใช้ได้เหมือนกันอัตตาทุก รับตรรมะไทยเป็นอัตตาทุกคนเว้นอัตตามัตกับอัตตาในโรกเป็นอัตตาทุกครทําให้แก้ก็ถูกเหมือนกันเรารู้อัตตาตามเป็นจริงของอัตตาเรารู้อนัตตาตามเป็นจริงของอนัตตาเพราะอัตตาเป็นคำที่สมมุติตื้นกว่ากันจริงตามสมมุติเราไม่คัดค้านพระบรมารริาอนัตตามันจริงตามพรมวัตรเราก็ไม่คัดค้านเราไม่ติดอยู่ในอัตตาด้วยเราไม่ติดอยู่ในอนัตตาด้วยเพราะเราไม่ยึดถือว่าอัตตาเป็นตนเราไม่ยึดถือว่าอนัตตาเป็นตน เราพูดตามภาษาชาวโลกของเขาเฉยๆพระพุทธศาสนาเราไม่สงสัยในสมมติแล้วสมุติเราก็ไม่สําคัญว่าเราอยู่ในสมุตหรือนอกสมมติเราก็ไม่สําคัญว่าเราอยู่ในสังขารและนอกสังขารเราไม่สําคัญว่าเราอยู่ในที่ใ ด, ดเหตุนั้นวิญญาณปฏิสันทิของเราจึงไหมพระพรทธศาสตนาถูกไหมเราสอนในพระเธอคําสอนของพ ร, ร, ระพุทธศาสนา ตอนให้เราแต่ละธานตุพลูตตามจริงปฏิบัติตามปจริงรู้ผลตามเปจริงเฉยๆไม่ใช่ว่าจะเอาอัตาอตาอนัตตามาเป็นสงครามกันไม่ใช่จะเอาสมมติไม่มุสมาเป็นสงครามกันแต่เราไม่รู้เท่าสมมติไม่รู้เท่าไม่มุตเราเป็นสงครามกิเลสของเราต่างหาใช่ไหมนักรูปคิดเกติกนิพการรูปก็คือกาย สมเรียกลังงินกระดูกยานกระดูกมากหัวาใจสบพานตืนใจปอดใจใจน้อยอาหารใหม่อาหาเก่ามีเศษน้ำเงินเงินมันค้นน้ำตาเป็นไม้น้ำลายน้ำมูกทำไข้ข้อามูกขาดดินราบน้ำไฟเที่ยงกายให้อุบวนไฟเที่ยกายทุบโสมไฟที่ยงกให้โวลวายไฟเที่ยผอาหารอยนี่ทั้ เรพัดเลอางลมหายลมเลยลมอกลมพัดลมว่าสามในเข่าลงในไส้ลมพัดไปสามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกรวมกันเป็นกายเยอะกว่ารูปเมตนาความจาความสวอารมณ์ุทุกเบ้ขาสัญญาความจารูปจาเสียงจากลิ่นจารสจำหดสพะจาธรรมาลงสังขารความกงแจงแห่งจิตให้ดีให้ชั่วให้ไปทางบนทางบาวิญญาณตะกุวิญญาณิญาทางดวงตาถัวตวิญญาณิญญาทางหูสานวิญญาณญาทางเล่นกายวิญญาณญาทางกายนโนวิญญาวิญญาณทางกา รูปกรณีเวทนากรณีสัญญาสัญกรณีสันขันกรณีเกิดขึ้นในกาแฟปพื่อนให้แตกกระายตามธรรมชาติของเขาเป็นอยู่อย่างนั้นใครจะมาห้ามก็ไม่ได้เธอจ้งรู้ตามจริงสักปฏิบัติตามจริงสักหลุดต้นตามจริงจากความหลงสักพระบรมศาลาตอนอย่างนั้นเราก็เห็งั้นกันสนะครับเมื่อเราไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เราเกิดมาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ไม่มมากกว่าเก่าก็มีเท่าเก่ามักปฏิภานก็อันเดียวกันนะครับ สอนให้รู้ตามมันจริงปฏิบัติตามมัจริงวุฒตามมจรหรอคาลงความตุ่นักถ้าชนะก็ชนะความหลงความตนถ้าปัญญาเหนือความหลงแล้วความหลงก็ตั้งอยู่แล้วเดียวนี่ความหลงคือกิริปปัญญาไม่เหนือความหลงที่เดียมันใต้หันว่าหันกับหลังหันพวกเราทั้งหลายอยู่ท่านพูดนะพวกเราทั้งหลายจงทําปัญญาให้เหนือความหลงซักชนะก็ชนะกันอยู่นี้แพ้ก็แพ้กันอยู่นี้ท่กนพูดนะ คณะภายนอกไม่มีมีแต่เวนส น, งส น, ง น, นองอยนไทสนองไทยพระบรมศาสดาถ้าความฉลาดและความโงแ่แล้วที่พวกเราหลงอยู่นี้มีกี่แควคือหนังห่มอยู่โดยรอบที่เรียกว่าขันห้าลูกเวสนาสย า, สามสงฆ์ยา สำคัญว่าเป็นของเที่ยงสำคัญว่าเป็นของสุ ข, ส ำ, ข ส, งงสำคัญว่าเป็นของสวยของงานสำคัญว่าเป็นของส่วนถ้าเธอทั้งหลายชนะสิ่งองนี้ไปเธอก็ข้ามทะเลหลังไปเลยที่นี่ยอ ร, ริงเหล่านี้ลงมาเป็นเป็นสองถ้าเธอไม่หลงลูกกับงา น่าเป็นเราเป็นเขาเป็นจับเป็นบุกคลเธอท่้งหายน่าข้ามรูปกกำนามไปซักทีก็ระงับไปหนึ่งทีหนึ่ถ้าเธอทั้งหลายไม่สําคัญผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้ไม่สาคัญจิตกล้าเป็นเราเราเป็นจิตผู้รู้กับจิตมีความหมายอันย่อมถ้าไม่จิตไม่มีจิตก็ไม่มีผู้รู้ถ้าไม่มีผู้รู้ก็ไม่มีจิตเดินหน้าไฟเราไม่ไม่ยินดนเรามันมีอะไรมันก็สบาย ด้น้าไปลมภายนอกแต่ดินําไฟลมภายในที่นี่จะของยึดถือมันสำคัญมากถ้าเธอไม่สำคัญแล้วผู้ลูกกันจนจนเป็นผู้ลูกเธอทั้งหลายก็ข้ามผู้ลูกไปแล้วถ้าเธอทั้งหลายข้ามผู้ลูกไปแล้วผู้ลูกคำว่าบางคนก็บอกว่าเมื่อปูแล้วปู้จิตดิฉันน่ะว่าจะทํายังไงเออถ้าสำคัญว่าจิเป็นจนจนจนจิตจิตก็ไม่ว่า ถ้าไม่สำคัญว่าสิตเป็นตนแตมื่จิตจิตก็ว่างอยู่แล้วที่นั่นเองไม่ต้องทําคิดิยาให้ว่าทีพื่อทำคิดิยาให้ว่างก็เพราะเข้าใจว่าจิตเป็นของตนมันก็ยิ่งไม่ว่างล่ะถ้ารู้จักถ้าถ้ารู้จักว่าตามว่าจิตไม่ใช่ตนตนไม่ใช่จิตจิตเป็นแต่สักว่าจิตจิตก็ว่างอย่แล่นั่นเองเหตุนั้นสติปัถญาจิตจึงบอกว่าพิจารณาใจที่สมองหรือสองเท้าเป็นอารมณ์ว่าใจนึกประสาทว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตใจพัฒนาพิจารณากาย พิจนาเวทนาพิจนาจิตพิจนาธรรมก็เนมือนกันโดยการความก็ะที่ประสานสือกพิจนากายลงสู่อนัตตาพิจนาเวทนาลงสู่อนัตตาพิจนาจิตลงสู่อนัตตาพิจนาธรรมลงสู่อนัตตาการที่เขาฝทอดาจในแท้แูกเป็นตัวตนเราเขาเพื่อการยานในศาสพิจนาเวทนาจิตทุกทุกแล้วทุกไม่ทุกเป็นอารมณ์ว่าเวทนาที่เขาฝากทอเวทนาในแท้แกเป็นตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนาเวทนาพิจนากายที่สรางความรู้สึกองเท่าเปนอารมณ์ว่า ใช้นื้่ักดิ์ใช้แทนไม่ใช่กักดิ์เด็กคนโตคนเล้วเขาเป็นเพียงจิดตามนัาสนาพิจนาธรรมที่เป็นปุกป่วนหรืออุปยศจนถึงกับใจเถรนารมว่าทําไม่กวศักดิ์พลาดทำไม่ใช่ศักดิ์คนโตคนเล้วเขาเป็นเพียงธรรมานในศาสนะกายก็ว่างเวทนาก็ว่างจิตก็ว่างธรรมก็ว่างเท่านั้นถ้ามัมีใครยึดถือเป็นเจ้าของชั่วลกก็เป็นเจ้ากว่างรู้ตามเป็นจริงแล้ะปล่อยวางกันอยู่ในตัวไม่ใช่ว่าจะทํากิริยาปล่อยวางอีกเช่นเราลืมตาเห็นอย่างนี้เราทํากิริยาปล่อยวางความมิดไหมก็ไม่ได้ทานับตาอย่างนี้ เราไดลองเรียกความเมื่อยมาไหมแล้วก็ไม่ได้องเรียกความเมื่อยข้าพเจ้ารับตาแล้วความมื่อยจงมาเถิดเราก็ไม่ได้บอกข้าพเจ้าลืมตาแล้วความสว่างจงมาเถิดเราก็ไม่ได้บอกก็ไม่มีอันใดกสอนในทางกิริยาที่ลืมตากับกิดญาที่เห็นไม่มีอันใดสอนในทางคิดญาที่ลืมตาเป็นตัวเห็นกิริยาที่เห็นเป็นตัวผลก็ถูกกิดยาที่ลืมตาเป็นตัวเหตุและตัวผลเชื่อมกันอยู่กิดยาที่เห็นก็เป็นตัวเหตุและตัวผลเชื่อมกันอยู่เร็วที่สุดยิ่งกว่าวินาทีก็ถูก นี่เธอทั้งหลายไม่ทันใจเหมือนดึงเหมือนน้เหมือนไฟเหมือนลมสายนอเธอทั้งหลายเนี่ยต้นทุกแม่ของวโรชาติลาบดินทรายนอที่ไม่มีผู้กจะเสือเป็นเจ้าของเขาเอาไฟของไฟมันก็ไม่บ่นมันก็ไม่มีกิตริยามรรยามันก็ไม่บ่นว่ามันได้มันเสียเข้าไปที้ใส่มันก็ไม่ พัดข้าเรามันเห็นมันหอมแล้วเอาไปอะไรก็ตามน้ำก็มือนกันไฟก็มอนกันลมก็มือนกันเพราะบบพัดที่มันก็ไม่บอกว่าเอาข้าไปเจ้ามาพัดที่อะไรก็เหมือนกันมันยากกับจิดอันเดียวมันยากกับพรูอันเดียวถ้ามันกรูใไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วผู้ะพรูก็เป็นพระเดี๋ยผู้ระพรูตองมีขอบถือ รูระบาปบำเพ็รูระเวรระไภรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่รูปนิพพานิพพานไม่ใช่เจตสิกรูปจิตเจตสิกนิพพานจิตถ้าทาสู็เป็นหน้าสู้คนนิพพานถ้าทาผิดก็ลงสู่นะครับจิตจิเป็นตัวสิงสามารที่ปัญญาอมารวมมืที่นี่ รบคนกันในจะจริมเหนเพราะั้นจึงวันไหมบัญอยากระจิเป็นข้าในท้อเป็นบัญอยากว่าูรู้ิดเกกสิท์นิพพานแต่นิพพานไม่มใช่ผู้รู้เนียผู้รู้ไปจำไม่มีที่ไหถ้าหมายอยู่ก็ควาหมุนหมุนนั้นเหนงมันหมันเหนือั้งพราเหนือฟังเทศเทพบรมศาสตรา ร, รักวรเพบรมศาสตา ถ้าข้าพระ อ, องค์ฟัง้วยเออเวลานี้เราเปนทมารดูม่สมถานันดรศักที่จะมาถามท่านระสุทธ้าไกรัดดนเนยท่าอยู่ไม่ได้เออบางทีพระบรมารีสิกดาตุขึ้นควฟมาอ้่เนี้ก็ได้บางทีกระผมขึ้นลำฟามเย้ยนี้ก็ได้เพราะเย้ยนนี่ครับทำไมยิงาอย่างนี้พระ เ, เพือ่อให้พระทา้งหลายฟังพระ พระทั<ธ>้งหลายอยู่ตามหาเฉกองนี้ที่กัดิน่าไหร่แค่เป็นอบายคห้พระทั้งายความหมายเหมอนกับ่านนั้นจะไยากแต่พ้าบรมศาสตร์เวลาดุแร่ดาะเทศนี้มันจะเส็ดขันหัน่านตุลุตักแร่มันก็จะมาถามเราอย่างนั้นมันจะมาถามเราอย่างนี้ท่านตุลุตักแร่พระบมศาสตเลาไม่ใช่มารุแต่เป็นธรรมาสองธรรมาสองดางที่อพระรมศาสารลาขึ้นบงฟาในวันนี้อาจเปนได้ในช่วานี้ ไม่เป็นไรารับเขาไปลองมาสาับาแล้วเข้าใจลถ้าไม่พูดก็มามีนนคำตอบ้นานทีกระผมล้มลงเหอนก็ได้คนระับเออถ้าอย่างนั้นก็ามาไม่ยากเนาะแต่ว่าเาลองมาสาับเวลาูาแล้วพูดเพื่อเป็นคำสังสัรคกันตนะ่างเลยเป็นภาษาพาูดเป็นภาษาหเห็นเนะนาครับพอแล้วอะไรเอามาทำไมจึงว่าอย่างนั้นเป็นภาษารูดเป็นภาษาหเห็น คือไม่ให้ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นมาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นทศกัณฐ์เป็นทศกุลเห็นโดยใจกว้างก็ให้พิจารณาลงสู่อนัตตานั่นเองนันเป็นทศกัณฐ์เป็นทศกุลเห็นไม่ต้องยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเดี๋ยวมันจะเป็นมานะเทถิเน่ะมันจะเป็นอวิชาตันหาอุปทานถ้ามีผู้ยืนยันว่าไม่รู้มันก็จะโกรธขึ้นใช่ไหมถ้ามีผู้ให้ขยนว่าเออดีละนีละอย่างนี้มันก็จะรู้จมูกดลงอ่ะ ให้พี่างานลงู่อนุตานนั่นเองนัน